เราหลายคนในที่นี้คงจะมีคำถามในใจว่าทำไมเราต้องมาวัดทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมในเมื่อฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะ รวมทั้าพวกเราหลายคนในที่นี้ก็มักจะมีความเข้าใจว่าต้องทุกข์ก่อนนะถึงจะมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีความทุกข์ไม่มีความอกหักไม่ผิดหวังไม่มีปัญหาเรื่องชีวิตก็คงไม่มาเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพราะนั้นก็เลยมีคําถามขึ้นมาในใจว่าเอทําไมฉันต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยเนี่เมื่อฉันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะก่อนที่จะตอบคาถามนี้ก็ต้องให้เราถามตัวเองสักก่อนว่าจริงหรือว่าที่เราไม่มีความทุกขนะ์ตอนนี้หลายคนอาจจะมีความหนักอกหนักใจเรื่องเรียนอาจจะมีความทุกข์เกี่ยวกับแฟน อาจจะมีความกังวลกลุ่มใจเรื่องเพื่อนเพื่อนเขาไม่แอดเราเป็นเพื่อนใน Facebook บางละหรือว่าเขาเพิ่งอันเฟรนเราตัดเราจากการเป็นเพื่อนหรือว่าเขาเพียงแค่ไม่เขียนคอมเมนต์ในสเตตัสของเรา เขาไปเขียนคอมเมนต์กับคนอื่นแต่ว่ากับเรากับ Facebook ของเราเขาไม่แตะเลยก็เครียดละหรือเขาไม่แท็กมาที่เราเลยเขาแท็กไปถึงเพื่อนคนอื่นมากมายหลายคนอาจจะกํกำลังเป็นทุกเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าฉันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยลก็ต้อง ถามใจตัวเองว่าจริงหรือเปล่าหรือถึงสมมุติว่าตอนนี้ไม่มีความทุกข์เลยสุขสบายดีทุกอย่างทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องชีวิตนะเรื่องเพื่อนแต่เราแน่ใจไ ด, ได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้เราจะมีความสุขเหมือนอย่างวันนี้เราแน่ใจได้ไดยางไรว่าเราจะมีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราแน่ใจได้ยังไงว่า ในวันข้างหน้าเราจะไม่สูญเสียของรักแะไม่สูญเสียคนรักพ่อแม่ที่เรารักเนี่ยเราแน่ใจได้แล้วว่าเขาจะไม่จากเราไปวันนี้เรามีสุขภาพดีเราแน่ใจได้ยังไงว่าพรุ่งนี้เราจะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ที่สุดเนี่ยเราก็รู้ทุกคนนะว่าในสุดเราก็ต้องตายกันทั้งนั้น ลมหายใจของเราวันนี้มันไม่ได้แปลว่าจะอยู่ไปตลอดในเมื่อชีวิตของเรามันไม่มีหลัปกประกันเลยว่าเราจะมีความสุขในอนาคตอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้และเราได้เตรียมพร้อมบ้างหรือยังในการที่จะรับมือกับความสุข กบความทุกข์ที่ต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนนะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานนะธุรกิจพันล้านหมื่นล้านและที่ล้มความขมำ ง, งายล้มละลายก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำวิกฤตวิกฤตปีสี่ศ ตอนนั้นหลายคนอาจจะยังเด็กอยู่แต่ก็คงจะได้รับรู้มานะว่ามันมันทำให้ผู้คนนี่ชีวิตพลิกผันอย่างไรบ้างอย่างที่ไม่คาดคิดนะว่าคนที่มี เ, เงินเป็นหมื่นล้านนะเพียงแค่ชั่วคืนเดียวก็กลายเป็นายาจกเป็นคนล้มละลาย อย่างที่เราเคยได้ยินนักธุรกิจคนหนึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียนนี้เป็นพันๆล้านพอทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่พอหลังวิกฤตปี P 40ก็ต้องมาขายแซนด์วิชตามโรงพยาบาลต่างๆวั น, นึ่งก็ได้แค่600บาทเท่านั้นแหละขาย ยี่สิบชิ้นชิ้นละสามสิบบาทต้องหนีตำรวจเทศกิจทั้งที่เคยมีรถเบน์ขับหลายคันชวินี้มั น, นผันพวนได้รถเร็วอย่างที่นึกไม่ถึงเลย น, นะหรืออย่างที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั่งเราคงจะได้ยินเรื่องราวของอดีตนางแบบนะชื่อยุ้ยนะรถจนา เพชรกันหานะเคยได้ยินมาเมื่อ10ปีก่อนเขาเป็นนางแบบระดับโลกมีคนไทยไม่กี่คนนะที่ไปเป็นนางแบบระดับโลกตอนนั้นจบแค่ป .6 ก่อนนั้ น, นก็มีอาชีพแค่เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวในร้านอาหารวันดีคืนดีก็มีแมวมองนะชวนให้ไปเป็นนางแบบฝึกเปรือจกนกระทั่ง ออกงานระดับโลกไปเดินแบบที่นิวยอร์กปารีสลอนดอนอกระทบไรนางแบบระดับโลกเมื่อสิบปีที่แล้วมีรายได้ปีละห้าสิบล้านแต่วันนี้เป็นยังไงวันนี้กลายเป็นคนเล่ล่อนนะไม่มีทรัพย์สินหลงเหลือต้องเข้ารับการบาบัดทางจิต แล้ก็ไม่รู้อนนะาคตจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เขาอายุ37แล้วนะคงจะกลับไปเป็นนางแบบอย่างที่ก่อนไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตที่มันผันผวนการที่เราวันนี้เรามีรายได้ปีละร้อยล้านมันไม่ได้แปลว่าเราจะรุ่งโรจน์อย่างนั้นไปตลอด ชีวิตวันนี้เราราบรื่นเหมือนโรถด ก, รกีบกูหลาบก็ไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะราบรื่นอย่างนั้นไม่ว่าเราจะเตรียมตัวป้องกันอย่างไรนะเช่นดูแลสุขภาพกินอาหารธรรมชาติล้างพิษเป็นประจำออกกำลังกายก็ไม่ได้เป็นหลับประกัน 100% เเซ์ว่าเราจะไม่ป่วย ไม่เป็นมะเร็งหลายคนก็มีสุขภาพดีแล้วก็เพลินในความมีสุขภาพดีแล้ววันหนึ่งชีวิตมันผันผวนป่วยเป็นมะเร็ง ก, ก็จะบ่นตีโพยตีพาว่าทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นมีคนจำนวนไม่น้อยเลยในที่ ที่ตีโผล่ตีภายอย่างนั้นเพราะอะไรนะเพราะเขาไม่เคยคิดไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าชีวิตเขานี่จะมามีอย่างวันนี้เพราะคิดว่าชีวิตเขาจะราบเรียบไปเรื่อยๆทั้งนั้งที่เราก็รู้นะว่าคนเราในสุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วย การที่เราเพิดเพลินในความสุขในความสำเร็จนะมันก็ทำให้เรามองข้ามความจริงอันนี้ไปแล้วเราก็หลงอยู่กับภาพลวงๆว่าชีวิตฉันจะราบลื่นไปตลอดอันนี้เป็นความประมาทอย่างยิ่งนะผู้ที่มีปัญญานี่เขาจะเตือนตนอยู่เสมอว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยง ความสุขในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังสุขเหมือนวันนี้ความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่ล้มเหลวความสมหวังในวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังสมหวังต่อไปหลายคนไม่ได้เตรียมใจเอาไว้เลยพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาในชีวิตก็ตั้งหลักไม่ได้เสียศูนย์ มีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็รักกันดีมีลูกสาวคนหนึ่งชีวิตก็ราบรื่นสามีก็เป็นแฟมลี่แมนคนรักครอบครัวดูแลภรรยานะเอาใจใส่นะไม่มีไม่มีนอกใจ ชีวิตก็ราบรื่นนะเป็นความสุขที่หลายคนก็หวังอยากจะเป็นอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งสามีก็เกิดป่วยทีแรกก็นึกว่าไม่เป็นอะไรไม่มากแต่ปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งที่แรงมากลูกลามไปหาหมอได้ไม่กี่เดือนนะสามีก็สุดหนักนะสุดท้ายก็จากไป ภรรยานี่ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่สามีจากไปยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเขาจากไปแล้วสามีจากไปแล้วปีหนึ่งภรรยาก็ยังทำอาหารเช้าให้สามีทุกเช้าจะทำอาหาร มาวางไว้ตรงโต๊ะที่สามีนั่งสมมติก็ว่าสามียังมีชีวิตอยู่ทุกวันก็จะโทรเข้าเบอร์ของสามีเหมือนกับที่เคยทำเป็นประจำอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความเขายอมรับความจริงไม่ได้ว่าสามีเขาจากไปแล้วแล้วเขาก็จมอยู่กับความจริงที่ลวงภาพลวงตาแบบนั้นเขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้ ไม่ใช่มีความสุขนะมีความทุกข์แล้วเขาก็ไม่สนใจลูกสาวเลยนะเอาแต่คุณคิดถึงสามีที่จากไปลูกสาวยังยังเป็นผู้เป็นคนอยู่กับไม่สนใจไปสนใจคนที่ตายไปแล้วที่ไม่สามารถจะเรียกกลับมาได้ก็คงึงไม่ออกนะว่าครอบครัวนี้จะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงแม้เรา อาจจะบอกกับตัว เ, เองว่าวันนี้ฉันมีความสุขนะก็อย่าคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันมันไม่เหมาะไม่จำเป็นสาหรับเรามันจำเป็นมากทีเดียวเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันหน้าชีวิตเราอาจจะผันผวนก็ได้ไม่ว่าเราจะป้องกันอย่างไรดูแลสุขภาพดีอย่างไร นะดูแลคนรักของเราอย่างไรนะในอนาคตมันก็าจะผันผลแปรปวนได้ถึงตอนนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้คือใจที่เข้มแข็งจิตใจที่มีสติจิตใจที่มีปัญญาเพราะถ้าจิตใจเราไม่มี สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็จะเสียผู้เสียคนเพียงแค่เราอยอมรับความจริงไม่ได้ว่าคนรักของเราจากไปอยอมรับความจริงไม่ได้ว่าป่วยเป็นโรครายเนี่ยแค่นี้มันก็หนักน่าสาหัสแล้วก็แทนที่จะป่วยกายนะก็ซ้ําเติมตัวเองด้วยความป่วยใจให้การที่คนเราไม่อยอมรับความจริงเนี่ยแค่นี้มันก็ทําให้เราแย่แล้วนะ ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันทำให้เราเนี่ยได้เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นทำให้เราได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่เที่ยงความผันผวนแปรปรวนของโลกซึ่งทำให้เราสามารถจะรับมือเมื่อเกิดความผันผวนแปรปวนเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพียงแค่อย่าว่าแต่ความสูญเสียอะไรมากมายเลยนะเพียงแค่นะเพื่อนเขาพูดจาไม่ถูกหูเรานะเขาตำหนิเราเขานินทาเราหลายคนก็ทุกจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมคำพูดของเขามันถึงทำร้ายจิตใจเราได้ขนาดนั้นเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยนะ ยอมให้คาพูดเหล่านั้นมาทิมแทงใช่หรือเปล่าคาพูดนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่กระทบหูแต่ทำไมปล่อยให้มันเข้ามากระเทือนแล้วก็ทิมแทงถึงใจอันนี้เป็นเพราะใจของเราไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางใช่หรือเปล่าเป็นเพราะเราไม่ได้ตระหนักว่า ไอ้คำพูดที่เป็นคำนินทาก็ดีต่อว่าก็ดีอันนี้มันเป็นธรรมดาโลกสารเสวนกับนินทาเป็นของคู่กันคำชื่นชมกับคำต่อว่ามันก็มาด้วยกันถ้าเราไม่เห็นความจริงตรงนี้นะเราก็จะทุกข์นะกับคำต่อว่าคำนินทาแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ หลายคนนี่พอเจอความผิดหวังในชีวิตนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ตระหนักนะถึงความผิดหวังเลยมันอาจจะหมายถึงความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนะักเรียนคนหนึ่งนะจบมัธยมเออเลมัธยมอยู่ก็เรียนดี ครอบครัวก็ดีพ่อแม่ก็รักลูกดูแลใจใสลูกทุกอย่างก็เรียกว่าเลิศเลอเพอร์เฟมีแฟน ก, ก็สมหวังแต่วันหนึง่งเมื่อครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงนะอยากจะให้ลูกของตัวเนี่ยตั้งใจเรียนยังไม่ต้องมีรักในวัยเรียน นะให้หวางระยะห่างกับนักเรียนคนนี้นะนักเรียนคนนี้ก็จิตหวังมากเสียใจนะไม่เคยผิดหวังนี้มาก่อนนะมีแฟนแฟนก็จะตีตัวออกห่างนะโกรธมากคนะว้าปืนไปจะไปยิงแฟนแต่ว่าเจอเจอญาติผู้ใหญ่เจอลุงของของแฟนกวางก็กยิงลุงตาย ยิงลุงของผู้หญิงคนนั้นตายแล้วก็ยิงเด็กตายยิงแฟนตายไปคนสองศพนี่พอทําใจไม่ได้นะกับความผิดหวังทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่านี่มันเป็นธรรมดาโลกแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางจิตใจมันเรียกว่าเปิดโลง่ง ปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาปล่อยให้ความผิดหวังเข้ามากระทำย่หยีนะจกนกระทั่งเสียผู้เสียคนนี่ยังไม่ต้พูดถึงคนที่ผิดหวังจนค่าตัวตายทุกวันนี้เนี่ยเราคิดแต่จะจะเรียกร้องแสวงหาความสาเร็จความสมหวังแต่เราไม่เคยเตรียมใจที่จะรับมือกับความผิดหวังเลยเราไม่ฝึกปลือจิตใจ ให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้สึกตัวเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการรับกับความผิดหวังหรือเหตุร้ายที่เข้ามาในชีวิตอย่างที่บอกไว้แล้วว่าไม่ว่าเราจะพยายามดูแลหรือว่าป้องกันอย่างไรนะก็ไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้ ผิดวังหรือเหตุร้ายนี้ไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันคลาดเคลื่อนไปจากชีวิตเราได้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นวันยังค่าแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจของเราให้ดีนะมันก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นเหตุร้ายไปได้ถึงที่สุดแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนะนอกจากจิตใจนะ ของเราหลายอย่างพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้หลายอย่างคนรักก็ช่วยไม่ได้นะแต่ว่าจิตใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนั่นแหละนะที่จะช่วยได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนักเป็นนักศึกษาหมาหาวิทยาลัยเอกชนตอนอยู่ปีสามนะอายุยี่สบปีนะก็ เธอเป็นคนที่สวยมากนะหน้าตาดีเป็นดาวมหาเทเลไลนะปีสามนี่ก็เป็นที่ยกย่องนะก็มีคนชวนนะไปเป็นพริตตี้ก็มีไรายได้ไรายได้ดีทีเดียวแต่เธอกนะ็ตั้งใจเรียนหนังสือนะ ก็มีช่วงหนึ่งก็ได้ติดต่อรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตสมัยนะั้นเฟซบุ๊กยังไม่มีอันนี้ประมาณสักห้าปีที่แล้ว Facebook ยังไม่แพร่หลายก็รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งก็ติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งรู้จักมักคุ้นสนิทสนมผู้ชายเนี่ยก็เกิดหลงรักเธอแล้วคิดว่าเธอเนี่อรักเขาด้วย ต่อมาก็ได้เจอกันแล้วผู้ชายก็ผิดหวังนะที่ผู้หญิงนี่ไม่ได้รักเขาเขาโกรธนะหาว่าหลอกลวงทำยังไงพอโกรธพอแค้นก็เอาน้ำกรดสาดหน้าเธอเสียโชมไปทั้งใบหน้าเลยตาก็เสียไปข้างหนึ่งคนซึ่ง มีความสวยงามและมีอนาคตที่สามารถฝากไว้กับหน้าตารูปร่างหน้าตาของตัวเองได้พอมาเสียชวมแบบนี้นี่แล้วคง น, นึกออกนะว่าเขาจะทุกข์อย่างไรบ้างเขาคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าก็ห้ามใจไว้พรานึกถึงแม่นึกถึงแม่ก็ทําให้สะกดกลั้นไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่าก็ทุกข์มากสุดท้ายก็ต้องย้ายบ้าน เพราะว่าทนไม่ได้ที่จะพบปะคนที่เคยเห็นชื่นชมความสวยงามของเธอถ้าเราลูกทาสเป็นปคนที่ถูกนากรดสาดหน้าเสียชมมบบนี่นี่เขาจะอยู่อย่างไรแม้จะแม้จะย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีใครเคยรู้จักเคยเห็นหน้าเธอสมัยที่ยังสวยงามมาก่อนคงจะทุกข์มากเลยนะ แต่ปรากว่าผ่านไปสามสี่ปีเนี่ยเธอก็สามารถที่จะพลิกชีวิตได้กลับมาเป็นคนใหม่ความคิด่าัวตายไม่มีเหลือก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทุกวันก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานไปเป็นพนักงาน c อ l เซเตอร์เธอไม่รู้ไม่รู้สึกอายหน้าตาของตัวนั่งรถไฟฟ้า ก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาอะไรใครมาทักใครมาถามนะเธอก็เพราะว่าเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็อเธอกอ็ตอบรับด้วยดีนะว่าใช่นะเธอเคยบอกอกรายการโทรทัศน์เคยมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมนะที่เอาน้ำกรดสาดหน้าเธอเธอตอบดีนะเธอบอกไม่โกรธเลย เธอบอกว่าเธอขอบคุณเหตุการณ์นั้นโดยซ้ำํำนะเธอขอบคุณเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์ที่ถูกน้ากรดสาดหน้าก่อนนั้นเน่ยเธอคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าถึงตอนนี้เธอขอบคุณเหตุการณ์นั้นเพราะอะไรเพราะว่าเธอเห็นเพราะว่ามันทําให้เธอเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นถ้าเธ อ, อยังสวยยังเ จ, ดจิดจรัสนี่ก็คงจะเพลิดไปกับ รูปร่างหน้าตาของตัวนะก็คงจะเพลินกับแสงสีเหมือนกับดาราเหมือนกับคนสวยค น, คนงามทั้งหลายแต่ว่าพอเธอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยมีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นได้ใกล้ชิดแม่มากขึ้นแล้วข้อที่2ที่สำคัญคือวมันทาให้เธอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น คือมันทําให้เธอได้เลยรูก้การปล่อยวางเธอบอกว่าหน้าตาของเธอเนี่ยนะถึงแม้มันไม่เสียไม่เสียโฉมตอนนี้ในวันข้างหน้าก็ต้องเสื่อมต้องเสียไปตามวัยก็คือพอแก่แล้วก็ต้องก็ต้องเสียไปนะเหี่ยวไปมาเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะทำให้เธอได้ปล่อยวางเสียแต่ตอนนี้นะเธอบอกว่าเนี่ย มีอะไรเกิดขึ้นกับชื่อของเธอหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ปล่อยวางได้ไม่ยากเพราะว่าไอ้ที่หนักกว่านี้ก็คือการที่เสียโฉมนี่เธอก็ปล่อยวางมาแล้วส่วนเคเธอมีความสุขนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำได้ยังไงนะเธอทำได้ยังไงถ้าเป็นเรานี่เราจะทำได้แบบนั้นไหมนะแต่เธอทำได้เพราะว่า ใจของเธอได้เรียนรู้การปล่อยวางนะเพียงแค่ปล่อยวางนะไม่ยึดติดนะกับความสวยความงามซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนะเธอก็สามารถจะอยู่อย่างมีความสุขได้หน้าเตอหน้าตาเธอไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าเป็นเพราะใจของเธอเนี่ยได้เรียนรู้การปล่อยวางเพราะคนเรานี่จะสุขหรือทุกขอยู่ที่ใจนะมาไม่ได้ที่หน้าตา บางคนนี่หน้าตาสวยนะแต่เพียงแค่มีสิวไม่กิ่เม็ดนี้ก็ทุกข์ละหลายคนเป็นทุกข์เพียงแค่ว่าเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายจริงๆแล้วมันไม่ใช่อยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่สิวหรอกไม่อยู่ที่ผิวแห้งมีที่ใจถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแค่สิวไม่กินได้ก็ทุกข์แต่ถ้ารู้จักจปล่อยวางนะแม้จะเสียโฉมทั้งใบหน้าเรื่องอยู่มีความสุขได้ นี่เป็นเรื่องของใจนะซึ่งสามารถจะฝึกได้เรียนรู้ได้นะาการปฏิบัติธรรมนมันช่วยเราตรงนี้นะช่วยทำให้เราได้ได้ฝึกใจของเราให้เข้าใจความจริงของชีวิตนะไม่ประมาท ก, กับชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับความผันผวนแปรปวนหรือเหตุายที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะว่าใจยึดติดนะถ้าเรารู้จักปล่อยวางได้นะเราก็สามารถจะมองไปข้างหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เหตุลายมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแต่ว่าใจเราเปลี่ยนแปลงได้เราเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งนั้นได้สิ่งเดียวกันที่ทำให้อยากฆ่าตัวตายแต่ว่า พอผ่านไปเออขอบคุณนะเพราะว่าเห็นข้อดีของมันทำให้เราได้รู้จักการปล่อยวางมีแม่คนหนึ่งเขาเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยลูกชายอายุสิบห้ามาขอขอแม่ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียแม่ก็เห็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบต่อครอบครัวเออรับผิดชอบต่อการเรียนนะ เป็นผู้ใหญ่นะไปเรียนที่เมืองนอกก็คงจะไม่เสียหายแล้วก็น่าจะเป็นผลดีเพราะว่าได้ไปเรียนภาษาอย่างน้อย ก, ก็ได้ภาษากลับมาก่อนห้ให้ลูกไปลูกก็ไปเรียนที่อินเดียบอกว่าไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนเกิดอุบัติเหตุจมน้ำตายแม่เสียใจมากแล้วแม่ก็ โทษตัวเองว่ามีส่วนทำให้ลูกตายเพราะว่าทําแม่เนี่ยถ้าเธอแม่อนุ ญ, ญาตให้ลูกไปอินเดียลูกก็คงไม่ตา ย, เ, ยเธอโทษตัวเองว่าเนี่ยเป็นเพราะเธออนุ ญ, ญาตให้ลูกไปอินเดี ย, ยลูกถึงต้องไปจบชีวิตที่นั่นเสียลูกก็หนักพอแล้วนะก็ยังโทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายมันก็ยิ่งยิ่งบีบคั้นจิตใจของเธอ จนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายแต่เธอก็ไม่ได้ทำนะแต่ ก, ก็เสียศูนย์อยู่พักใหญ่จนกระทั่งมีคนมาบอกว่ามีคนแนะนำให้ประปิดไปปฏิบัติธรรมเธอคงเหมือนกับพวกเราหลายคนนะที่บอกที่คิดว่าจะไปปฏิบัติธรรมทำไมในเมื่อฉันยังไม่มีความทุกข์ในเมื่อฉันก็มีความสุขอยู่แล้วนะแล้วเธอก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่ว่าพอเจอเหตุร้ายนี้ไม่มีทางไป หาทางออกไม่ได้ก็เลยไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมก็ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของชีวิตนะว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เรียนรู้ว่าความพัดเพ่าสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตได้เรียนรู้ว่าคนแต่ละคนก็มีกรรมของตัวเองนะบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนอันนี้ก็เป็นเพราะผลแห่งกรรมด้วย เมื่อเธอได้เรียนรู้แบบนี้เนี่ยก็ทําให้ยอมรับความจริงยอมรับ ก, การตายของลูกได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก่อนหน้านี้นคือว่าเมื่อเธอได้ไ ด, ได้ได้ปฏิบัติทำได้เจริญสติมันก็ทําให้เธอสามารถที่จะปล่อยวางไอ้ความเศร้าโศกและความรู้สึกผิดได้ความเศร้าโศกความรู้สึกผิดมันก็คอยมารบ ก, กวนจิตใจแต่เธอก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมัน ไม่กดขม่มไม่ผักไสนะแต่ยอมรับแล้วก็ดูมันไปเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุดท้ายเธอก็จิตใจโปร่งเบานะการปฏิบัติธรรมทาให้เธอได้พบกับประสบการณ์ใหม่นะคือชีวิตที่โปร่งเบามากขึ้นชีวิตที่สงบเย็นมันเป็นความสงบใย็เป็นความโปร่งเบาที่ที่เธอไม่เคยประสบมาก่อน เธอมีความสุขมากกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าตอนก่อนที่จะสูญเสียลูกซะอีกเธอถึงก็บอกว่าเนี่ยเธอเลยบอกว่าขอบคุณลูกนะที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรมะเธอพูดกับพวกเราว่าการตายของลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากแม่ที่พูดแบบนี้นี่คงมีน้อยนะเพราะว่าสําหรับแม่ทุกคนความตายของลูกมันยิ่งใหญ่เสมอ แต่เธอก็เมื่อทบทวนชีวิตที่ผ่านมาก็พบว่าเออความตายของลูกก็ทําให้เธอได้พบสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็ไอสิ่งดีๆที่เธอได้ประสบนี่มันก็ถือว่าก็คุ้มค่านะกับความสูญเสียของลูกก็เรียกว่าทําให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์ความรู้สึกผิดที่หรือการที่ชอบบวยตีจิตใจตัวเอง ลูกไมู่ไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วแต่ว่าชีวิตเธอสามารถจะเปลี่ยนได้นะเพราะว่าการการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเข้าใจนะต่อสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนะที่ทำให้เธอสามารถก้าวข้ามความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่ลลวงเหล่านี้ได้และจมาเชื่อว่าไม่ว่าคนเราจะมีความทุกข์แค่ไหนนะถ้าเราได้ฝึกใจ จากการที่ได้มันปฏิบัติธรรมเสมอเราก็จะสามารถก้าวข้ามมันได้แม้ถึงเวลาถึงวันที่เราต้องเจ็บต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือเราต้องใกล้ ใ, ใกล้พบกับความตายนะเราก็สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้แล้วก็สามารถเทียบผ่านไปได้ด้วยดี ถึงป่วยก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจก็สงบนะถึงจะตายนะก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาอาจจะเห็นถึงขั้นว่าไม่มีใครตายด้วยซ้ํำคนที่เขาเข้าถึงธรรมเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าไม่มีใครตายไม่มีฉันที่ตายคนที่ไม่เข้าใจก็ยังมีความสุกว่าฉันกําลังจะตายฉันกำลังจะตา ย, ตายแต่คนที่เข้าถึงธรรมนี่เขา เาเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งจนรทั่งพบว่ามันไม่มีฉันไม่มีใครที่ตายเลยนะมันก็เป็นเพียงแต่ความเสื่อมของขันนะของรูปและนามของกายและใจให้ความความตระหนักชัดอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ไม่ไม่เป็นทุกข์นะกับความตายที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะเราไม่อยาก จะต้องทุกข์กับเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือว่าอยากจะพ้นทุกข์พ้นจากความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยนะก็ให้นะลองกลับมาที่ตัวเองกลับมาฝึกจิตใจของตัวเองนะและเราจะพบคำตอบเราจะพบทางออกจากความทุกข์ได้ไม่ไม่ไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะความทุกข์ในวันนี้เท่านั้นแต่ความทุกข์ในวันข้างหน้า ซึ่งอาจจะหนักหนากับความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในเวลานี้ก็ได้คำนี้ก็เพื่อนเท่านี้นะอกรับครับ